แล้วด้วยการผ่อนหนันก็ลต้องใส่ใจที่ว่าเข้าใจเลยที่เวลามีหลักปัญาที่ก่อนนั้นมันจะเป็นสภตพกายจริงเวลาปวดใ้หนักปวดหนักไปไหมันจะไปจริงๆที่ว่าขึ้นถึงข้าวข้าวเปลนเราเคยพูดไหมกรมแพทย์เราเคยพูดข้าวข้าวเปลือยเ ควนมรู้นี่จะปล่อยหมดต่อความรับผิดชอบนะถ้าสมมติว่าจิตได้ปลอดคามุมตากรรมหมดแล้วเนจิตสมบูรณ์เรื่องนนแล้ ว, ลวความรับผิดชอบเรื่อัญชาตญาณยเราจะปเห็นตัวอย่างชัดก็คืออะเนไอยู่ที่เราลื่นเยี่ยื่นอันจะหอเรามาจะช่วยตัวเองต่าเป็นที่คงมีจิตเดชเขาเม้องกพระ่าความเมตตากมนะจะช่วยกระองสิญญ่จิตมันจียามนะคือมันอยากให้หอบก็ ง, ง่ายค้ามสํญญาลังนั้นเป็นตอยำโยม นือเดียวแ่นี่จะเหยียบลงไปอย่างนี้เ่ยไปเราทำใ้เขาจะราบตรงนี้ก็ต้อกบดนถือเลยนี่เป็นปียาหงการทยาทาไม่ใชอยู่บานที่ต่างกันมีร่องก็คือว่าสีของมูลโนเราแต่ล้อมยุดอยู่ตกใกกลัวนะมันจะตะครวนหมดเลยในในนี้การสีของท่านซูที่คิดคิดเห็ดแล้วควรยักนะรับทราบวันนี้เป็นอันตราย การทิาไม้เนี่ยไม่เข้าใจว่าเป็นอะโดดข้ามไปนี่เป็นยยายิยาของแส้ธายางไม่รับสิดธิชอบว็นอย่างนั้นด้วยกันไม่ว่าผิธีหรือว่าอะไรอันนี้เหมือนแบนองนี้ต้องิดไม่จิตจะิบริสุทธิ์นวันแล้วเป็นหลักธรรม่าติตัวเองแล้วนะใครก็มีเปนเป็นนับสิทธชอบช่วยัสสารรงกาชจังรู้ เด really ูร้อนี่หนาวนี่กิยาวเนี่ยรับรับทราบรับทราบตลอดเป็นเพียงว่าสิ่งอันนี้ไม่สื่นทราบก็สื่ใจแล้วเพราะนั้นเพิ่มรับธรมชาติเรียกว่าเป็นอานะให้เป็นอย่างอื่นไปไม่ได้เป็นอย่างนั้นไม่สื่ทราบไม่กระทวนถึงจิตอานจะเรียกว่าเวชนาจิตในจิตของพรั่งไม่มีคือไม่มีเวชนาจิตสุขก็ไม่มีทุกข์ไม่มีร้างหนาวอะไรที่จะเข้าไปสัมผัสภารกิจเข้าไปสืงนทรางทั้งหมดไม่มีแต่เป็นเพียงวารับทราบรับทราบด้วยรักธรรมชาติ แล้วก็แล้วกับไม่ซึมซาบโดยธรรมชานเหมือนกันคือไม่ประสานกันอันนี้เวลาจิตถึงขั้นที่จะปล่อยตัวคือหมายถึงมาปล่อยความรับผิดชอบนี่จิตจะหมดตัวเข้ามาหมดเลยตาไม่ใช่ตาบอดเลยบอดไปแล้วเป็นยังไงถ้าเลยบอดก็คือเหมือนพันไม้ทันตปืนหูอวัยวะทุกส่วนจะเป็นเหมือนพันไม้ทานปืน้หมดไม่มีอะไรรับทราบเลยเข้าหมดแล้ว หมดตัวเข้าความรับผิดชอบถอนเข้าไปหมดแล้วก็าอยู่มัจะรู้นั่นเอนั่นหลักทีจจจนะ่จะแชรกันิงนะมจะรู้อันนี้เป็นข้าไม้ขู้นเันหมดไม่มีความหมายเลยทั้งชื่นเลยนี่รกว่าก้ากวี่ิบเปอร์เซ็นต์ถ้าเปอร์เซ็นก็อันนี้ก็ขยับออกออกจากร่างนี่เออยกตายนั่นะง่ายนะนี่ถ้ายเอร์เซ็นคือนี้ก้าวยี่สิบเปอรเซ็นต์ี้ยเียมแล้วที่จะออกถ้านั้นก็ออยอย่างนั่นกา ก็ยอนมารับอีกชอบนี่คือเร่องนี้เป็นยังไงนะเอาจำเราหนัรลึกลับมากในข้อทั่วไปลึกรับมากแต่ถ้าการหลักวิชาพระพุทธเจ้าปฏิบัติธรมหลักวิชาพระพุทธเจ้าจะไม่มีอะไรลึกรับเลยถึงพระสงฆ์สอนว่ายังไงมันจะทะลุถึงกันถึงกันกันพองฆ์สอนแล้วเงความคะลุมาแล้วถึงสอนโนกจึงไม่มีอะไรผิดนี่คือว่าสวขารธรรมเราสวนทุกวันมาสุขโตตารม ถ้าธรรมู้ว่ากษัตร์ได้ดูแลรับผิดชอบแล้วคือทอบแบบนี้เองอนิบายเข้ไปก็ยอมรับยอมรับกันยอมรับกันเรื่อยไปเลยมีระมาทั้งจิดจิตที่ยอมแล้วนี้เวลาเวลาจิตรับผิดชอบหมดความรับผิชอ บ, บ, บ, ชอบมันะทุกเวทน า, าในร่างกายนี้จะมีอยู่มากขนาดไหนในขนาดที่ยังรับผิดชอบอยู่ลนะเต็มตัวถึงขนาดตัวจะอยู่ไม่ได้จะถอนจ ะ, จะถอนตัวไปเนี่ยเวลานั้น ทุกเวทนาทั้งทั้งหมดเนี่ยดับไปพร้อมกันกับร่างกายหมดความหมายตางหูจมูกร่างกายเป็นธรรมะทั้งฟืนชั้นใดทุกเวทนาก็ไม่มีสันนั้นเหมือนกันหมดเห็นไห่าละอับหมดจะเหลือแต่ควาู้เนั้นถ้าขยับก็ต้องกลับไปหมายว่าคนเราถ้าหาว่ามีสติอยู่แล้วลนะเวลาจะตายจริงทุกเวทนาจะต้องดับหมดแล้วถึงจะเคลื่อนตัวออกแต่นี้พวกเรามันไม่เป็นอย่างนั้นใช่ มันทิ้งเ่านทิ้งตัวตกเตียงตกอะไรไป้ตแต่ยังไม่ตายยังยั ง, ยงไม่ควรจะตายมันก็ดิ่งไปก่อนแล้วเป็นอย่างนั้นนี่เราพูดทั่วไปนะเป็นอย่างนั้นแต่ผู้ที่รู้รู้อย่างนั้นเป็นอย่างนั้นจริี่นะคือไม่ไม่มีทุกเวทนาต้องดับหมดเช่นโยกับร่างกายมันดับจากความรับผิดชอบของจิตเราโยกจิตหมดแล้วหดตัวเข้ามาป้าเข้ามาอยู่ในจุดเดียวคำว่าตุดนะก็ม า, มาอยู่ในนั่นแล้ว ร่างกายทั้งหมดนี้กบหมดความหมายไปเลยไม่มีไม่มีความรเ้สึกว่าปวดแสบร้อนได้ยินนั่นนี้ไม่มีดับหมดทรานเหล้อแต่ความรู้เทนั้นมันนั่นเรียกว่าจิตหมดความรับผิดชอบและทุกเวทนาที่เกิดอยู่ในร่างกายนี้ก็หมดรอ่วมกันเชนก ว, ว่าจิตออามารับผิดชอบคิดสร้างออกไปรับผิดชอบทุกสิ่งทุกอยัางก็ได้ยินหูตาได้ยินทุกวเวทนาก็เริ่มเกิดเกิดมื่ก็เกิดอยู่สภาพมันถ้าจิตทางวัตถุ บ, บริสุทธ์นะ ถ้าจิบสุมันก็เย่อมงถึงกันเลยภาษาันธุเลยอย่างเนี้ยถ้าจิบสุดแล้วมันก็เป็นอาสานะคือนเป็นไปไม่ได้บางคับให้ให้สาาันธุ์ก็าษไม่ได้บางคับให้ยืมไม่ได้เพราะมเป็นอาสานะแล้วนี่นท่านเรียกว่าโลกรรุตระจิตคือเหมือสมมูลแล้วสมมูลไม่สอาดที่ทมไเลยเพราะฉะนั้นเรื่องเวทนาจะเป็นสูขเวทนากขตามทุกเวทนากขตุกขาวทุกกรรมจึงไม่สามารถที่จะเข้าเชื่ข้ามในจิตของท่านผู้สิ้นแล้วไปได้เพราะสิ้นแล้วเป็นโลกุตระจิตแล้ว จิตเหนืมุดแล้วจะเอะไรเข้าไปแทรกได้ห่ะอนี่หมายถึงจิที่ช่วยตัวเองเวลาจําเป็นเกิดใ้รจะป่วยมาเรามากแล้วท่านจะปล่อยหมดเรื่องอยู่เรื่องยาอะไรไม่เกี่ยวเลยท่านจะหมุนตัวเข้าไปตรงนี้เลยมีอะไรแล้วก็พิจารณาในวงสัจธรามนี่อย่างสง่าพอเพื่อย่างอาถานไม่ไม่มีคําว่ากลัวเป็นกลัวตายนี่จะดูความจริงตลอดเวลาจนกระทั่งความจริงนี่จะจากไปผู้รักทาบความจริงนี่จากไปหมายถึงว่าตายกันนั่นเอง นี่คนเราไม่เป็นที่คมเจ็บกวดแล้วลองข่าวได้จะตายมันยังไม่ตายอยู่บ่จะตายนี้ตายสิเยอะเป็นยังไงนะมีไหมโอ้ยกขาพูดเราเรายอมพูดมากนะมันกรเทือนลูกศิษย์รองรองธรรบัวทั้งนั้นแหละเราทีมาเสียพูดมมันไม่ไปไหนมันมานี่แหละแล้วไม่พูดธบัวอาจารย์ปาเจกิ์ไม่เื้อได้ไงลูกิษอความสงบอย่างไรก็อาจารย์ปาโง่เนี่ยแน่มันจะมาติดตรงนี้อีกเลยคือพูดจะ่แคนั้นนะไม่พูดเรื่อง กีฬาวนณาเป็นทั้งันอย่างนั้นนะเวลาท่านอยู่ในป่าเนี่ยเขาท่านจะไปยุ่อะไรกับอยู่กับยาเวลาจำเป็นจริงท่านจะหมุนเกี่ยวข้อข้างในเลยเป็นอะไรก็ตามท่านไม่กลัวคําว่าเป็นมาตายไม่กล้าไม่กลัวดูความจริงมันเป็นยังไงเอาให้ถึงขีดถึงแดงกันในเวลายังไม่ตายที่ดูให้เห็นชัดเจเวลาจะตายแล้วมันก็หมดวิสัยที่จะดูนะเน้อจะทำเมื่อเป็นอย่างนั้นแล้วกําลังของขีดทั้งท่านเด่นถึงถึงนะ เรื่องความทุกข์ทั้งหลายนี่ยมัมนก็มีอำนาจเหนือจิตนั่นเลยลอหะจิตท่านั้นจะครอบตลอดเพราะฉะนั้นท่านถึงหายได้ด้วยวาตาทั้ตาได้อย่างอาดหันยกตัวอย่างเราะเช่นท่านจันผู่ของเรานี่ที่ท่านไปนเสียอะไรเขาเรียก บ, บ้านโคกกรงอะไรอนยะ่างไรที่ดามไปน้ำขือ่อนนั่นคนท่านเป็นคงจะเป็นโรคมะเร็งน่ะเขาบอกว่าีิวมัออนกแล้วน่ะเป็นอยู่นี่นานแล้วมันหนักเข้าหนักเข้าก็ ถ้าก็บอกว่าจะไม่ไหลแล้วนะฟังสิที่จะไม่ไหลแล้วคงจะไปเร็วๆนี่เท่านท่านนั่งให้ผ้านั่งประคองเนาะให้พวกน้อยไหลไปทาความเข้าใจกับใจโดยอย่างให้ดีนะท่านสาวน้อยยอดนะขอให้อบรมใจให้ดีเถิดท่านจะ ม, มีอะไรกับทุกข์ันถึงใจเลย ค, คือเวลาท่านุ้ปตนาท่านจะแสนสาดท่านเพื่อนไปอยู่แล้วท่า น, นยังพูดอย่างนั้นได้ จะไม่มีอะไรเข้าไปกระตุ้นทันงกลิ่เลยขอให้ทําตัวให้ดีนะตแล้วก็นี่ผมเวลาผมตายไปนี้อยากเข้าใจผมตายไปนะักะผมที่แท้จริงไม่ได้ตายนะนี่เป็นรูปยังภาตุมันสลายตัวไปหมดกําลังของมันเขาว่างแล้วเอาชนะไปนะเพรานั้นนะบังดิเอาชนะไปแล้วนะพอว่างนะเนาะไปเลย น, นั่นแหละที่ได้รักษาตัวเองได้เป็อย่างนั้นเองนี่ครูที่รัสอนอย่างนี้ถ้าถึงขั้นนี้ไม่มีควาว่าเสียหาย เป็นได้อย่างนั้นไม่เป็นอย่างอื่นเชื่อตัวเองได้เลยเต็มรอยปเ็นไม่มีไม่มีสงสัยอะไรเลยอันไหนที่จะไม่เยีมมันก็จะพังมันไปอันที่ดีอยู่ก็ไม่พังนะแม้แต่งจิตที่ไม่ดีมันยังไม่พังความรู้นี่ชิพหายเมื่อไรตายแล้วเกิดเกิดแล้วตายมีแต่ความรว้เดียวนี่น่ละทุกแสนสาหัสก็ทกยอมรับว่าทุกแต่ไม่ชิพหายไม่มีอะไรจะปราศจากจิตให้ชิพหายได้เลย นี่แหะตัวที่พาให้เกิดและตายไปอยู่ติดตัวนี้แต่เรามันไม่รู้ริงที่มันจึให้เกิดไปปิดออกครอบออกอเกิดมากเท่าไรมันก็ไม่รู้ว่าเกิดตายมาเท่าไรก็ไม่รู้ว่าตายทุกอย่าลำบากรู้สึกขนาดไหนมาแล้วมันก็ไม่รู้ว่าตัวเป็นมาอย่างนั้นแล้วเคยเนมาอย่างไรแล้วพราะมันติดมันติดมันติดนี่เวลามันเปิดนี่สิ่งใดที่มีอยู่มันติไม่ได้ติดถึงขั้นมันรู้พอพอพอเปิดตัวยังบอกนี้มันเจ้าไปหมดเลยไม่เคยรู้เห็นมันก็รู้เห็นจะว่าไง ก็เป็นเรื่องของตัวทั้งนั้นเรื่องของตัวทั้งนั้นทั้งนั้นทั้งนั้นมันเกี่ยวโยงกับอนนี้หมเหมือนกับว่าเรายื่นแขนไปเนี่ยแขนนู้นกระแขนของเราเนี่ยมันมันหยั่งมาถึงกันถึงเนี่ยเรื่องราวนัมันเป็นมายังใกล้ๆขนาดไหนมันก็เป็นเครื่องหยั่งถึงกันถึงกันถึงกันท่านรู้เลยที่ท่านก่นรู้ไปยั้งไงเวลามาถึงขั้นเบิสุทธ์แล้วพอจิตถึงขั้นบริสุดปึ๊กเนี่ยอันนี้ขาดออกแล้วเนี่ยถึงรู้ก็ตามก็ขาดจากกันแล้วที่ี่จะไม่มีเงื่อนต่อต่อไปอีกแล้วข้างหน้านึง กำหนดดูครั้งหน้านี่มันรู้อ่ใวงปัจจุบันไม่เสียคือไม่มีอะไรเป็นเงื่อนต่อต่อไปแล้วที่จะไปเป็นเกิดการเกิดตายอย่างที่เคยเปินมาแล้วตกิดไปไมาได้แล้วน่ะเพราะมันขาดจากขันหมดแล้ววงปัจจุบันนี้ท่านก็ไม่ยืดนั่นฟังซินั่นแหละท่านก็รู้แท้ในวงปัจจุบันท่านก็รู้เท่าท่านไม่ยึดนั่นแล้วรู้แล้วว่าอ น, นี้่ธรรมชาตินี้บริสุทธิ์ไม่มีปัดใจอะไรที่จะมาสืบก่ออยูแล้วนั่นถ้ารู้อย่างนั้นมันรู้ท่านรู้เจ้าสอนให้รู้อย่างนั้น อนี้เวลาดับก็มีตอันนี้แต่กระจายไปอันนั้นไม่ดับเนี่ยที่รบิสุทแล้วก็ออกสาความบป็นสูงกนไม่ได้ออกไปเพื่อสูงนั่นฟังด้วเวลาใอ้บริสุทธิ์ก็มีตามธรรมชาติบริสุทธิ์แต่ไม่สูงนะแต่ถูกลำบากความลำบากระโบนถ้าผมขนาดไหนก็ตามให้ขผายไม่ขี้ผายแต่มันเป็นทุกข์เหมือนย่งใคร่ี้เราเนี่ยเราไม่ตายแต่มนกทุกข์ใช่ไหมหระใครอยากให้จี้หรอไม่มีเลยลูกศิเราอยู่นี่มีใครอาถารเกินครูเลยใช่ไหมเรานี่ไม่อาถรรนะใครจี้แ้วเราเจอด้วยม ไปจีแล้วไม่ตายแล้วไม่กลัวแล้วหรอมีไหมไม่มีคุณดูวีดีโดแบบนี้สะก่อนเดีนีวนี้แหละไปจะจี้นั่นแหละมันทุกมันนักชิ้หาก็ตามคุกเป็นของทรมานมากไม่เป็นของดีถึงไม่มีขยากได้อยากเป็นทุกนี่แหละคือเรืาองพาเป็นมาให้มันกระดับถูกติหมดแล้วไมเห็นหรืไม่เดี๋ยวมันก็เอาตาแล้วศูนเข้าดัดข้ามาอีกปีดกั้นเขาไให้ตาแล้วศูนเลย บางครั้งที่นักเกิดนับตายก็คือเราเนี่ยนับอะไรนับทู่พบเกิดพบตาทของเราไมาได้ในโลกนี้ฟังดิมันกเกิดมันตายมาสัก ก, กี่กับกี่กันแล้วมีเท่าไหร่ฟังดิยิ่งเชิงเราพบนี้ก้อนหนึ่งนั้นเนี่ยไปข้างหน้าอีกก็อนสองก็อีกแล้วชิตเป็นมาเท่าไหร่แล้วนั่ะฟังดิมันจะอะไรจะมากนี้กับการเกิดการตายของทิ่ตัวยันแต่ดวงถ้ามันมีธรรมเป็นเครื่องมีอเครื่องแก้ถ้ามีธรรมแล้ ว, ลวเอออย่างที่เคยพูดนะธรรมนี้เป็นเครื่องที่ตัดเรื่องเข้ามาอย่างน้อยเร่นเข้ามาเรื่องเข้ามาพบทราบเข้ามา แต่เกิดก็เกิดเพียงแตว่ามีความถุกผู้ที่มีบุญมันต่างกันนะมีที่หลบที่ปีกแวะที่หลบที่เลี้ยงอะไรกันอยู่นั้นแหละถ้าถ้ามีความดีแล้วน่ะถ้ามีแล้วไม่มีทางก็เหมือนกันกับโรคไม่มีหมอไม่มียาไม่ได้เขาแถลงโดนก็ไปทุกวันทุกวันมันทนได้ยังไงมันก็ตายได้ด้วยหมอก็มียาก็มีรักษายกก็ฟังหมอทังยาหนักดีมีวันหายได้ถ้าไม่ใช่เป็นโรคปีกที่ใส่จริงๆอันนี้กิงของเรามันก็เหมือนกัน เพราะนั่านนึสร้างความดีสานสร้างความดีผู้ยิ่งผู้สอนสอสอ น, นะทางจาไว้ผู้ยิ่งใดีด้วยความดีนะเลิ่อด้วยความดีนะไม่ใช่เลิ่ด้วยความชั่วอย่างเช่เมื่อวานนี้พูดถึงว่าแบาบไม่มีบุญไม่มีหรืออะไรอย่างเนี้ยนี่หลักเรื่องของทีเง่เหตุที่มันต้มศูนย์พลต้มถนัดต้มตร ง, ง, งนี้เองแล้ะตายและสูดีด้วยนี่ยิ่งถนัดเอาให้หลับต้องเป็นเลยเถอะคนคนนี้ไม่มีทางถ้าวัตถุนี้ยังไม่คิ๊กจากอันนี้เมื่อไรแล้วยังไงก็จะเป็นอย่างนั้นตลอด เปิดตาเปิดตายอยู่อความต้องการตนว่าตายแล้วูนย์มนเนี่ยมันไม่ศูนย์หลักธรรมชาติไม่ศูนย์มันเคยเป็นมาเท่าไหร่แล้วคาว่ามันเป็นไปได้มันจะมันก็ต้องศูนยนเป็นนานด้วมันศูนไม่ได้นี่มันยิ่เกิดมาอย่างนั้นเนี่ยธรามุจยาทีสามอันนี้กระชายที่สามขัหลัทสองอันนี้ที่สองนกของพนิการที่โพลได้จัดรุปทียกโพลทีนาอวิชชานี่ย้อนหลังไปย้อนหลังไปย้อนหลังไปจนวรท่าลึกเข้ามาถึงปัจจุบันตัดขาดสถาบันลงไปเออตั้งแต่แบบนี้ต่อไปอวิชชาท ท่านเคยรูปมาแล้วตั้งแต่ก่อนอันไม่เคยรู้แต่เลารู้แล้วเป็นยังไงทันอา อ, อ, อุาทานขึ้นมาป่งเมื่อทันดีแม่ท่านรู้สานแ้่ท่านความดีความดีสาคัญมากนะแต่ดงที่พูดเมื่อวานเนี่ยระ ว, วงัง้ดีไอ้เรื่องที่จะมาถอดนความดีของเราไม่รู้ภกรายานะให้เกิดมันเคยครองหัวใจมันมากกว่มากนานแต่น้นแล้วมันไม่ยอมจะลงแต่หัวใจง่ายนะเวลาเราจะทาความดีนี่คือจะหนีจากอานาจทังมันพ่ามันตุงจีบตึ้งขวางเอาไว้ทันทีันที จะทําแล้วก็ตามมันจะมีเรื่องขึ้นมาล่ะสังเกตดูเข้าใจเจ้าของก็รู้กันรู้เองเราไม่ต้องถามใครหรอกพะจะทําความดีมันจะมีอุปสรรคขึ้นมาสแสดงขึ้นมาไม่มีก็จะอุปสรรคแต่อุปสรรคก็คือความจริงเจ้าอของนั่นแหละมันมาสร้างขึ้นมาแล้วสุดท้ายเราก็ล่วมตามมนันไปเนี่ยเสียไปแล้วมันเอาไปยินแล้วเอาไปยินแล้วทนะ่านอย่าจ ม, มันนะช่วน ส, สร้างเราทําไปเมื่อมันทนํานานแล้วที่นี้ไม่ทำไม่ได้นะความดีอันในที่เรามีกําลังแล้วไม่ได้ทําไม่ได้เช่นเราเคยว่าถ้าว่านองหนึ่งเราเคยว่าไม่ว่าไม่ได้ หาความสบายไม่ได้เลยนั่นเห็นไหมระหว่างที่เดี๋ยวจะทำมันฟาดกลมทานี้จะเอาให้ได้จะให้ได้สวดมนต์ให้ได้นี่อมันไม่ได้เนี่ละฟาดกลมตัวนี้มีเวลามีกําลังให้ทานวันหนึ่งไม่ได้ให้ทานอยู่ไม่ได้เห็นได้อะไรมาไม่จะอยากทานนี่แสดงว่านั่นอันนี้สูงแล้วสูงแล้วนั่นมันเห็นนี่หนึ่งหัวใจแล้วเนี่ยจากคนคนเดียวนะแต่ก่อนมันเป็นอย่างนั้นนาฏกิจนี้มันคิดอย่างนั้นแบบนี้มันคิดอย่างนี้นะแล้วก็ต่อไปเมื่อมันแก่กล้าสามารถแล้ว ผู้งอย่างมันจะล่าลื่นไปต่างๆกันเนชะ่นอย่างภาวนาอย่างขี้เกียจที่สุดคือยงทำลุงลูกศิลปต้องบวลนี่ต่อไปมันก็เฉียขยันนะถ้ามันทาไปทาไปเนะี่ยนอกจากจะขี้เกียจแล้วก็เด็กก่อมไปตั้งหวันเรื่องนั้นเองเข้าใจไนะ้มล่ะพูดไปตีไปแต่เร า, า, ย พ, าพยายามนะเรื่องความดียังไงต้องในโลกของความทั่วทุกระยะทีเดียวเพราะความทั่วนันน้นมีอำนาจที่สุดอยู่วนมเข้าใจเราความเข้าใจะรามานานแนละ้วต้องคิดว่ากินกัดกันมันจะลงง่ายหรือ ถม้อาความดีเข้าไปตีไม่ลงมีความดีเทนั้นคือคือทำความดีอยู่ในหัวใจเรานั่นแ่ะสร้างเข้าไปสร้างไปแล้วมีกําลังมากขึ้นผ้ารือ้อเดี๋ยวตอนนี้ขึ้นบนหัวใจแล้วเอาหลักที่นี้นะไปอยู่กันแหลกเลยมันไม่มีกิเลสตัวใดจะผ้าหาขึ้นมาต่อสู้กับทําได้ทําขึ้นคลองใจแล้วที่นี่กับเช่นเดียวกับกิเลสที่เคยขึ้นคลองใจแต่ก่อนเมีอำนาจมากขนาดไหนทำก็มีอำนาจมากฉันนั่นเหมือนกันเต็มทีม่ไม่มีอะไรที่เข้ามาเกี่ยวข้องเลยทัทง้ทงทั้งทัง งานอำนาความดีมันมีเวลาที่มีกําลังขอให้ทาไปสร้างไปเถอะอย่างไรก็ไม่พ้นที่จะเป็นอย่างที่ว่าทำบุญเจ้าไม่เคยหลอกโลกสงสารไม่เคยทรงถถึงนอกกับที่เดชกันนั้นเห็นทางการทำข้างแต่นะที่จากพระยาเกิดมาในคพบนี้ทํานี่เราหมาะที่สุดแล้วถ้าเกิดมาเพราะพวกศาสนาศาสนาเนี่ยเป็นศาสนาของท่านผู้ เ, เลิศพระพุทธยาณผู้เป็นเจ้าของศาสนาเป็นผู้ขึ้นที่เดชเห็นหมดทุกิงทุกอย่าง น, นําสอนมาสอโลกด้วยความเป็นแล้วดแลทุกสิ่งอย่างนำมาสอนไม่มีอะไรโกหกเลย แล้วพยายามสัเกเสียสักกายไปตามผู้แล้วจะค่อยเป็นไปเรื่อยเืๆ เ, เ, เอาชาตินี้มันต่อบชาตหน้าชาตาต่อไปแล้วก็ค่อยไปเป็นไปถึงจะเกิดก็เกิดคนมีความดีย่อมมีที่หลบที่ซ่อนนี่ที่ปลุกที่เพิ่มทุกคนได้ไม่เหมือนกับคนที่หาผามของทุกสิ่อย่างเดียวเลยนั่นไปไหนไม่มีทางโค้นนะพอนะพรนะีนะ่ควรละพะ